เขตแดนแห่งนงรครราชฤกมีบ้านพราหมูบ้านหนึ่งนายบ้านชื่อว่ากัปปิละมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่าปิดผลิเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากัตสปะตามชื่อโครคือกัตสปะโครปิดผลิมานพมีพัญญาคนหนึ่งชื่อว่าพัฒกาปิลาณีทั้งสองแม้แต่งงานกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างสามีพัญญาเหมือนคู่อื่นๆแต่ว่าอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้อง ปะมาณดาบิดาของปิดผลิมานพสิ้นชีพแล้วสามีพัญญาทั้งสองเห็นว่าผู้ที่อยู่ครองเรือนนั้นจะต้องคอยรับบาปเพราะการงานที่ผู้อื่นทำให้ไม่ดีกล่าวคือต้องคอยรับผิดชอบมีจิตเบื่อหน่ายเนื่องจากบา ร, รมีอันท่านทั้งสองสั่งสมมาดีแล้วคอยกระตุ้นเตือนชักนาเสมอจึงชวนกระละทรัพย์สมบัติออกบวชจาศีลเจริญสมาธิภาวนา วันหนึ่งปิดเพลสได้พบพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ใต้ร่มไทรชื่อพระหุพุท ต, ตนิโครตต้นไทรที่มีลูกดกระหว่างกรงราชเครือกับเมืองนาลันทามีความเลื่อมใสเปล่งวาจาประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของตนตนเป็นสาวกของพระศาสดา ข, ขอบวชในธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุแต่ทรงประทานพระโอวาทสามข้อดังนี้ 1. กสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะเข้าไปตั้งฮีริโอตสปะไว้ในพิษุทั้งที่เป็นผู้เท่าและปูนกลางไว้อย่างแรงกล้า 2. องเมื่อฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นกุศลเราจะฟังธรรมนั้นด้วยความตั้งอกตั้งใจพิจารณาเนื้อความของธรรมนั้น 3. เราจะไม่ละสติพิจารณากายกายขตาสติ คือพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยงามเต็มด้วยสิ่งปฏิกูลมากหลายท่านฟังพระพุทธโอวาทที่แล้วใส่ใจปฏิบัติตามได้สำเร็จอรหั ต, ตผลในวันที่7 ท่านเป็นผู้ที่มีปฏิปทาขัดเกลาสันโดดได้รับยกย่องจากพระศาสดาในคุณธรรมนี้ตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาปิ๊งอย่างดังเรื่องราวต่อไปนี้ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีตรัสให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายกสปะเป็นผู้สันโดษโดยชีวรบินทบายเสนาสนะและกีฬาณเิษั์เมื่อได้ก็ไม่หมกมุ่นติดใจ มองเห็นโทษมีปัญญาคิดจะสลัดออกเมื่อไม่ได้ก็ไม่เสียใจน้อยใจไม่เดือดร้อนใจนอกจากนี้กัสปะยังกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษนั้นด้วยพระาศาสดาทรงชักชวนให้พิสุทั้งหลายเอาอย่างพระมาหากัสปะในเรื่องนี้และยกย่องอีกว่าเธอทั้งหลายพึงเป็นผู้ที่มีจิตเช่นเดียวกับกัสปะคือชักกายชักใจออกห่างจากตระกูล ไม่ขนองกายและขนองวาจาในตระกูลประพฤตตนเป็นผู้ที่ใหม่อยู่เป็นนิดไม่คุ้นเคยเกินไปอุ ป, ปมาเหมือนดวงจันทร์อันงนภิกษุพึ่งชักกายชักจิตออกห่างจากตระกูลมองดูตระกูลเป็นที่หน้าหวาดเสียวเหมือนบุคคลมองดูบ่อน้าที่ฉรุดภูเขาขาดและลมเลงต่างๆภิกษุทั้งหลายเมื่อกสปะเข้าสู่ตระกูลจิตของเธอไม่ได้ติดข้องในตระกูล เธอมีจิตใจเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีว่าผู้มุ่งลาบจงได้ลาบผู้มุ่งบุญจงได้บุญภิกษุทั้งหลายภิกษุใดแสดงธรรมได้คิดว่าชะไหนหนาเขาพึงฟังธรรมของเราฟังแล้วพึงเลื่อมใสเราเลื่อมใสแล้วพึงทำอาการอย่างแห่งผู้เลื่อมใสแก่เราภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของภิกษุเชนั้นไม่บริสุทธิ์ ส่วนพิสุไดแสดงธรรมทีคิดว่าพระธรรมอันพระผู้มีประภาคทรงแสดงไว้ดีแล้วคนทั้งหลายพึงฟังธรรมฟังแล้วพึงรู้ธรรมรู้ธรรมแล้วพึงปฏิบัติตามธรรมเธออาศัยความรู้ที่ธรรมนั้นเป็นธรรมดีหน้าประกาศหน้าสั่งสอนจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอาศัยความกรุณาความเอ็นดูและน้ำใจอนุเคราะห์จึงแสดงธรรม ธำเทศนาของภิกษุเช่นนั้นบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายกสปะมีจิตเชนีมีความรู้สึกเช่นนี้จึงแสดงธรรมอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเข้าสู่ตระกูลด้วยคิดว่าเขาจงให้เราจงให้มากๆจงให้เร็วๆอย่าช้าจงให้โดยเคารพหากเขาไม่ให้เป็นต้นภิกษุนั้นย่อมไม่พอใจเธอย่อมเกิดโทมนัสทุกใจเพราะเหตุฉะนั้น ภิกษุเช่นนั้นไม่ควรเข้าสู่ตระกูลส่วนภิกษุใดไม่ได้คิดเช่นนั้นเธอย่อมไม่มีทุกขโทมนัทควรเข้าสู่ตระกูลได้ภิกษุทั้งหลายกัสปะเมื่อเข้าสู่ตระกูลไม่ได้คิดเลยว่าขอเขาจงให้เราเขาจงให้มากมากเร็วๆกัสปะไม่มีทุกขโทมนัทภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติอย่างกัสปะ อีกคราวหนึ่งที่เวลวันนี้เองพระมหากัสปะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสปะบางสกุลจีวรซึ่งเป็นผ้าป่านี้เก่ามากแล้วและหนักนักเธอเองก็แก่แล้วจงใช้จีวรที่กะบดีเขาถวายบ้างฉันอาหารที่เขานิมนต์บ้างอยู่ในที่ใกล้เราตถาคตบ้างพระมหาการสปะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ถือผ้าบางสกุลชีวอนถือบินธบาศและการอยู่ป่าเป็นต้นมานานแล้วและกล่าวสรรเสริญการประพฤติฉชนั้นอยู่เสมอพระาศาสดาตรัสว่ากัสปะเธอเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงประพฤติเชนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ประพฤติฉชนั้นเพราะเห็นประโยชน์สองประการคือเพื่ออยู่เป็นสุขของข้าพระองค์เองในปัจจุบันประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพื่อปัจชิมาชนตาชนทั้งหลายจักได้ถือเป็นทิฏฐานดุกติดําเนินตามว่าดูเถิดพุทธสาวกทั้งหลายในอดีตได้เป็นผู้ทรงบางสกุลทีบรถืออาหารมินธบัดและอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นจักดําเนินตามข่าแต่พระองค์ข่าพระองค์เห็นอํานาจประโยชน์ดังนี้แหละจึงประพฤติฉชนั้นตลอดกาลนานที่เวรุวันนี้เองวันหนึ่งพระมหาคสปะเข้าเฝ้า พระาศาสดารับสั่งให้ท่านโอวาสสั่งสอนภิกษุท่านกราบทูลว่าบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมอันทําให้เป็นคนว่ายากมีความมักมากในลาบเป็นต้นพระาศาสดาตรัสว่าจริงที่เดียวกสปาจริงอย่างที่เธอกล่าวเมื่อก่อนนี้ภิกษุที่เป็นเถระมีการอยู่ป่าถือธูดงข้อบินทบาตบางสกุลชีวอผ้าสามผืนมีความปรารถนาน้อยสันโดษ พอใจในวิเวกไม่คุกคลีด้วยหมู่คณนนะมีความเพียรสม่ำเสมอและสารเสริญคุณความเป็นผู้อยู่ป่าและสันโดษเป็นต้นมาภิกษุเช่นนั้นย่อมได้รับการยกย่องจากพิกษุทั้งหลายแม้ที่เป็นเถระแต่ว่ามาบัดนี้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระพากันทอดทิ้งคุณธรรมอันนั้นเสียไม่อยู่ป่าเป็นปกติไม่ถือบิณฑบาตไม่ถือบางสกุลจีวรไม่ถือผ้าสามผืน ไม่เป็นคนปรากถนาน้อยไม่สันโดษไม่ชอบอิเวกชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่มีความเพียงสม่ำเสมอภิกษุใดมีชื่อเสียงร่ำรวยลาบสการะมียศภิกษุเช่นั้นได้รับการยกย่องจากภิกษุทั้งหลายแม่ที่เป็นเทระภิกษุที่เป็นเทระก็เชื้อเชิญเขาด้วยอาสนะสรรเสริญยกย่องว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้เจริญดูกรสปะ เมื่อจะกล่าวโดยชอบในบัดนี้ก็ควรจะกล่าวว่าเพื่อนพรมอาจารย์ถูกประทุษร้ายโดยอุปัตวะจากเพื่อนพรมอาจารย์นั่นเองอีกกล่าวหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีตรัสยกย่องพระมหากระสปะว่ามีวิหารธรรมเสมอด้วยพระองค์คือพระองค์จำลองอยู่สงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าสู่ฌานสี่และฌานแปดได้อย่างไรพระมหากระสปะก็ทําได้อย่างนั้น พระองค์ทรงสามารถเรื่องการแสดงลิบต่างๆทรงระลึกชาติได้มีทิพประโสนิทประจักสุขอย่างไรทรงสิ้นอาสวะอย่างไรพระมหาคสปะก็สามารถอย่างนั้นฉะนั้นในบางครั้งพระองค์จึงทรงเอาสังคาติของพระมหาคสปะมาทรงใช้และประทานสังคาติของพระองค์เองแก่พระมหาคสปะอีกกลาวหนึ่งเมื่อพักอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถี วันหนึ่งพระอ น, นุลเอารัตนาพระมหาเกศปะให้อวาดภิกษณุณีณสำนักภิกษณุณีท่านปฏิเสธถึงสองครั้งเพราะท่านชอบความสงัดไม่ต้องการคลุกคลีในหมู่คณะท่านบอกพระอ น, นุลว่าไปเถิดอ น, นุลเธอเป็นคนที่มีจิจมากมีธุระมากเมื่อพระอ น, นุลอ้อนวอนเป็นครั้งที่สามท่านจึงยอมไปเมื่ออวาดภิกษุณีเสร็จแล้วจากไป ภิกษุนีรูปหนึ่งชื่อว่าถุระติสสาไม่พอใจในโอวาทของพระมหากระสปะได้กล่าวออกมาว่าอะไรกันท่านกรสปะกล้ากล่าวทาต่อหน้าเวเทหะมุนีนักปราชญ์เช่นพระอ น, นุ์เหมือนพ่อค้าขายเข็มเสนอเข็มขายแกในช่างทาเข็มผู้ฉลาดช่างหน้าหัวเราะพระมหากระสปะทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวกับพระอ น, นุ์ว่า อ, อ น, นุลระวางเราและเธอนั้น ใครเป็นช่างทำเข็มใครเป็นพ่อค้าขายเข็มกันแน่และท่านก็กล่าวถึงข้อที่พระศาสดาทรงยกย่องท่านเพียงใดพระอนุลขอโทษพระมหาคสปะแทนพิศนีผู้โง่เขานั่นว่าขอท่านโปรดยกโทษเถิดผู้หญิงมักเป็นคนเบาความเสมอพระมหาคสปะนั้นมีความสนิทสนมกับพระอนุลเป็นพิเศษ ทนมีเมตตากรุณาต่อพระอนุลประหนึ่งบุตรของท่านแม้ว่าพระอนุลจะมีอายุล่วงมชิมะไวมีเกษางอกแล้วก็ตามท่านก็ยังเรียกพระอนุลโดยกุมาแลกะวาทะว่าเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่เสมอบังเอิญว่าภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่าถูลนันธาได้ยินคํานั้นเข้าจึงติเตียนว่าพระมหากัสสปะเรียกพระอนุลโดยวาทะอันไม่สมควรพระอนุลเป็นเวเทหมุนี เธอติเตียนพระมหากรสปะว่าดูเหมือนว่าเป็นคนที่คล้ายกับเดรถีมาก่อนพระมหากรสปะทราบความนั้นแล้วจึงเล่าเรื่องแ ต, ต่เตมเบื้องหลังของท่านให้พระอนุ์ฟังว่าท่านคิดอย่างไรจึงบวชโดยนัยยะทางนี้อนนล์ภิกษุณีชื่อถูรนันธาได้กล่าวคำออกไปโดยไม่ได้พิจารณาอานน์จำเดิมเถกพเจ้าปลงผมละนวด ครองผ้ากาสายะออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกามุนีมิได้อุทิศศาสดาองค์อื่นเลยนอกจากพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตสมมาตุผู้เจ้าคือเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้าอยู่คลองเรือนมีความคิดเกิดขึ้นว่าคราววาดเป็นทางแคบเป็นทางมาแห่งธุลีคือกิเลสบรรพชาเป็นทางว่างผู้อยู่คลองเรือนประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่ขัดแล้วนั้น เป็นสิ่งที่ทําได้ยากฉะไหนหนอเราพึงออกจากเรือนประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนต่อมาข้าพเจ้าได้เอาผ้าเก่าๆเป็นผ้าหม่มห่มออกบวชอุทิศพระอรหันในโลกได้พบพระศาสดาสักคยมุนีที่พระหูปุตตะเจดีระหว่างเมืองว่าจากักรืและเมืองนารทาข้าพเจ้าเลื่อมใสได้เข้าไปหมอบลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์ขอเป็นสาวก พระพุทธองค์ได้ประทานโอวาทแก่ข้าพเจ้าสามข้อมีใจความว่า 1. ให้เป็นผู้มีิบริ์โอตตะปะอย่างแรงกล้าในภิกษุทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ปานกลางและภิกษุใหม่ 2. เมื่อฟังธรรมที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งจงตั้งใจฟังด้วยดีถือเอาสาระสำคัญให้ได้และ 3. ต้องเป็นผู้เมละกายคตาสติคือพิจารณากายโดยความเป็นของไม่งาม นาเกลียนโศโครอนอน์ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีหนี้บริโภคอาหารของชาวเมืองอยู่เจวันพอวันที่8ดก็ได้บรรลุอรหัตผลอานอน์คราวหนึ่งนับภายใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งข้าพเจ้าได้ปูสังฆาติของข้าพเจ้าทําเป็นสี่ชั้นแล้วทูลอารัธนาให้พระาศาสดาประทับนั่งบนสังฆาตินั้นเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าพระองค์ก็ประทับนั่งแล้วตรัสว่า สังคติของข้าพเจ้านุ่มดีข้าพเจ้าจึงเอ่ยวาจาถวายพระองค์พระองค์ทรงรับและทรงมอบสังคติผ้าป่านที่พระองค์ทรงใช้แก่ข้าพเจ้าพระาศาสดาและข้าพเจ้าได้เปลี่ยนสังคติกันใช้ด้วยประกาศฉนี้อานนท์หากพึงกล่าวโดยชอบก็จะพึงกล่าวว่าข้าพเจ้านั้นเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระโอษฐ์คือธรรมเกิดแล้วจากธรรมอันธรรมสร้างขึ้นมาแล้ว เป็นทายาทแห่งพระองค์ สมัยหนึ่งนเชตวันพระมหากระสปะทูลถามพระศ า, ศาสดาว่าเมื่อสิกขาบทยังน้อยภิกษุทั้งหลายดํารงอยู่ในอรหัตตคุณมากแต่เมื่อสิกขาบทบัญญัติมากขึ้นผู้ดํารงอยู่ในอรหัตตคุณกลับน้อยลงอะไรหนอเป็นปัจจัยพระศาสดาตรัสว่าดูกนกระสปะเมื่อสัตว์กําลังเสื่อมสัตว์ธรรมกำลังอันตราธานสิกขาบทแม่มาก ผู้ดำรงอยู่ในอรหัตคุณก็น้อยดูก่อนกระสปะปราบใดที่สัทธธรรมปฏิรูปคือทำปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกสัทธธรรมแท้ก็ยังไม่อันตรธานปราบนั้นเปรียบเสมือนเมื่อเงินปลอมยังไม่เกิดขึ้นเงินแท้ก็ยังไม่อันตรธานดูก่อนกระสปะอะไรอื่นเป็นต้นว่าปัทวีธาตุหาทําให้พระศัทธรรมเสื่อมได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่ทําให้พระศัทธรรมเสื่อมนั้น คือโมฆบุรุษ ท, ที่เกิดขึ้นในศาสนานี้เองกสปะสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความอันตรธานแห่งพระศธรรมนั้นมีอยู่หประการด้วยกันคือบริสัทธสีไม่เคารพยำเกรงในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาและในสมาธิส่วนธรรมอีก5ประการซึ่งมีนัยะตรงข้ามนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระศธรรมโดยแท้ คราวหนึ่งพระมหากรสปะพักอยู่ที่ถ้ำปิดพลิเข้าฌานสมาบัติเจดวันออกจากฌานในวันที่เจ็ตรวจดูพิก ข, ขาจานด้วยทิพปยปจักษุเพื่อสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ให้เขาได้บุญมากเห็นหญิงคนหนึ่งเฝ้านาข้าวสาลีอยู่เก็บรวงข้าวสาลีและก็ทเข้าวตอกท่านพิจารณาเห็นว่าหญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอทราบว่าเป็นหญิงที่มีศรัทธาและเมื่อให้อาหารแก่เราแล้ว จักได้สมบัติมากดังนี้แล้วห่มจีวรถือบาทไปยืนอยู่ณที่ใกล้นาข้าวสาลีกุลธิดาเห็นพระเถระแล้วมีจิตเรื่อมใสทราบซ่านด้วยปีติห้าประการขอร้องพระเถระให้ยืนรออยู่ก่อนรีบไปนําข้าวตอกมาโดยเร็วใส่ลงในบาทของพระเถระแล้วไหว้ด้วยเบญจางคบประดิษฐ์ตั้งปรารฏนาว่าขอที่ฉันได้เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว กล่าวคือขอให้ได้เห็นธรรมอย่างที่ท่านเห็นแล้วเถิดพระเถระกล่าวอนุโมทนาขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดดูก่อนท่านผู้สแสวงหาธรรมคนสมัยก่อนโน่นเพียงเด็กหญิงเฝ้าไร่นาก็ยังปรารถนาการบรรลุธรรมคือถือเอาการบรรลุธรรมเป็นจุดมุ่งหมายที่สูงสุดของชีวิตกุลธิดานั้นไหว้พระเถระแล้ว กลับไปพร้อมกับระลึกถึงฐานที่ตนได้ทําแล้วงูพิษตัวหนึ่งนอนอยู่ในโพรงแห่งหนึ่งในระหว่างทางเมื่อกุณฑธิดามาถึงตรงนั้นมันก็ออกจากโพรงกัดนางสิ้นชีวิตนางได้ทําการฤกริยาด้วยจิตที่เรื่อมใสไปเกิดในวิมานทองในภพดาวดึงมีอัตภาพประดับประดาด้วยอลังการทั้งปวงประดุจบุคคลที่หลับแล้วตื่นขึ้นนางนุ่งห่มผ้าทิพย์ผืนหนึ่งยาวสิบสองซอก และห่มผ้าทิพย์อีกผืนหนึ่งซึ่งมีนางอับซรจนนํานวนพันแวดล้อมยืนอยู่ที่ประตูวิมานซึ่งประดับประดาด้วยขันทองคําที่เต็มไปด้วยเข้าตอกทองคําห้อยย้อยอยู่เพื่อประกาศบุพกรรมของตนมองดูสมบัติของตนแล้วใคร่ครวนได้ทิพ ป, ประจักษ์สูงว่าสมบัตินี้เราได้เพราะเหตุไวยหนอเราทําอะไรหนอจึงได้สมบัติเห็นปานีรู้ว่า สมบัตินี้เราได้พระผลแห่งทานที่เราให้แล้วแก่พระมหากัสปเทระพระผู้เป็นเจ้าของเราดูก่อนพระราดาทานที่บุคคลทำแล้วแก่พระผู้ออกจากฌานสมาบัติโดยเฉพาะนิโรธาสมาบัติย่อมมีผลมากมีอนิสงมากและให้ผลในปัจจุบันนี้ทันทีนางคิดว่าเราทำกรรมดีเล็กน้อยคือถวายข้าวตอกแด่พระเถระเพียงเล็กน้อย ยังได้สมบัติมากถึงป่านนี้ป่านนี้เราควรไม่ประมาทเราควรปฏิบัติพระเถระเพื่อสมบัติของเราที่ถาวรคิดอย่างนี้แล้วจึงนําไม้กวาดซึ่งทําได้ทองไปกวาดบริเวณที่อยู่ของพระเถระตั้งน้ําฉันน้าชายไว้แล้วกลับสู่วิมานพระเถระเห็นบริเวณสะอาดเรียบร้อยและมีน้ำชายน้ำฉันบริบูรณ์คิดว่าคงจะเป็นภิกษุหนุ่มหรือไม่ก็สมณะเณร มาทําไว้ในวันที่สองก็เช่นเดียวกันพอถึงวันที่สามพระเทระได้ยินเสียงไมบกวาดกระทบพื้นเห็นแสงสว่างแห่งสุริระลอดเข้าไปทางช่องลูกด่านจึงเปิดประตูออกมาดูและถามว่านั่นใครนางตอบว่าที่ฉันเองอุปถายิกาของท่านชื่อราชะเทพธิดาอุปถายิกาของเราที่ชื่ออย่างนี้ไม่มีนี่ นางเล่าเรื่องแต่เบื้องหลังให้ท่านทราบโดยตลอดและว่าเพราะความสนึกคุณของท่านและเพื่อรักษาสมบัติให้ถาวรด้วยความไม่ประมาทจึงทำเช่นนี้เมื่อวานและเมื่อวันซืนทท่านมาทำเหมือนกันอย่างนี้หรือเจ้าข้าเทพธิดาที่แล้วก็แล้วไปแต่ว่าต่อไปนี้อย่าทำอีกไปเสียเถิดเทพธิดาท่านอย่ามาที่นี่อีกเลยพระคุณเจ้า พระกุณเจ้าโปรดอย่าให้ดิฉันต้องพินาศเลยขอท่านจงให้โอกาสแก่ดิฉันเพื่อดิฉันจะได้ทำสมบัติให้ถ้าววอนสื่อไปพระเทรากล่าวว่าออกไปเสเถิดเทพธิดาถ้าท่านทำอย่างนี้ต่อไปในภายภาคหน้าพระธรรมกรถึกผู้สแสดงธรรมจะพึงตำหนิเราได้ว่าในยะว่าแม้พระมหากัสสปะเทระก็ยังมีเทพธิดาตัวหนึ่งมาพลนิบัติรับใช่ คอยตั้งน้ําฉันน้ําใช้ให้เทพธิดาตั้งแต่วันนี้ไปท่านจะมาที่นี่อีกเลยนางเทพธิดาคลั่มครวญอยู่ว่าพระขุนเจ้าอย่าให้ดิฉันต้องพินาศเลยแต่เพราะเทระไม่ยินยอมกล่าวเป็นเชิงตําหนิว่าไม่รู้จักประมาณตนนางไม่อาจทนอยู่ได้จึงเหาะขึ้นอากาศประคองอัญชรีคลั่มครวญอยู่ว่า พระคุณเจ้าอย่าให้สมบัติทีดิฉันได้แล้วชิดหายเสียเลยขอได้โปรดให้ดิฉันทำสมบัติให้ท้าวอนสืบไปพระาศาสดาประทับอยู่ภายในพระคันตกุูดีทรงสดับเสียงนั้นแล้วทรงแผ่พระรัศมีไปประทับนั่งตรัสอยู่เบื้องหน้าของเทศธิดานั้นว่าเทพธิดาเอ่ยการสํำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกษัตรบุตรของเราส่วนการกําหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเรา แล้วทำบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญก็การทำบุญนั้นย่อมนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าถ้าบุคคลทำบุญก็พึงทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ สมัยหนึ่งพระมหากัะสปะและพระสารีบุตรอยู่ในป่าอิสิปตนาเขตเมืองพาราณสีพระสารีบุตรออกจากที่เล็กเล่นในเวลาเย็นเข้าไปหาพระมหากระสปะได้สนทนาปราศัยกันเกี่ยวกับเรื่องธรรมอันเป็นไปเพื่อพระนิพพานพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านกระสปะข้าพเจ้ากล่าวว่าผู้ที่ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวตบบาททุจริต ย่อมเป็นผู้ที่ไม่ควรเพื่อที่จะตรัสรู้ไม่ควรเพื่อบรุนิพพานไม่ควรบรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งครัวตบบาททุจริตย่อมเป็นผู้ควรเพื่อการตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพื่อบรุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะต่อจากนั้นพระสารีบุตรได้ถามพระมหากสปะว่า ด้วยเหตุผลเพียงเท่าใดภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตด้วยเหตุเพียงเท่าใดภิกษุชื่อว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสและมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตพระมาหากรสปะได้กล่าวตอบพระสารีบุตรโดยพิสดารครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรวันเขตพระนครราชครึกครั้งนั้นแล ท่านพระมหากษะสปะเข้าไปเฝ้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสปะเธอจงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายจงกระทำธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเราหรือเธอพึงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายเราหรือเธอพึงกระทำธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายท่านพระมหากระสปะกร่าบทูลว่า ถ้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญภิกษุทั้งหลายในบัทนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับอนุษสาสนีโดยเคารพบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิบรีไม่มีโอตตะปะไม่มีความเพียรไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผ่านมาเป็นอันหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลย เปียบเสมือนประจันรในข้างแรมย่อมเสื่อมจากวันนะจากมนทนจากรัศมีจากความยาวความกว้างในคืนหรือวันที่ผ่านมาฉันใดบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริ์ไม่มีโอตระปาไม่มีความเพียรไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายวันคืนของเขาที่ผ่านมาอันหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลไม่มีศรัทธาไม่มีหิริโอตตะปักเป็นคนเกียจคร้านปัญญาสามเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธและการที่ไม่มีภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนนี้เป็นความเสื่อมอย่างแท้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลบางคนมีศรัทธามีหิริอีโอตตะปักมีความเพียรมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผ่านมา เป็นอันหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเปรียบเสมือนพระจันทร์ในข้างขึ้นย่อมเปล่งปลั่งด้วยวันนาด้วยมนฑนด้วยรัศมีด้วยความยาละความกว้างในคืนหรือวันที่ผ่านมาชั้นใดบุคคลบางคนผู้มีศรัทธามีฤทริมีโอตระปามีความเพียรมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผ่านมาเป็นอันหวังได้แต่ความเจริญ ในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเสื่อมไม่ได้เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลมีศรัทธามีหิริมีโอตตปะมีความเพียรไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธและการที่มีภิกษุอื่นกล่าวสอนนี้ไม่เป็นการเสื่อมโทรมเลยพระาศาสดาทรงอนุโมทนาคำสอนของพระมหากัสปะอีกครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะ ระวิหารเวรุวันกัลันทกะนิวาปะสถานเขตพระนครราชเครือครั้งนั้นแลท่านพระมหาการสปากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดกระสากสปากขอเธอจงกล่าวสอนพิกษุทั้งหลายจงกระทำธรรมีคถาแก่ภิกษุทั้งหลายกัปสปก เราหรือเธอพึงกล่าวสอนพิกษุทั้งหลายเราหรือเธอพึงกระทำธรรมีคาถาแก่พิกษุท์ทั้งหลายท่านพระมหากัสสปะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับอนุสาสนีโดยเคารพดูกรกัสสปะก็เป็นความจริงอย่างนั้นครั้งก่อนนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ เป็นผู้ถือการอยู่ ป, ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ ป, ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินธบาดเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบังสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ això, ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษ และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสังดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่เป็นผู้ปลารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปลารบความเพียรบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณคือการเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินธบาตเป็นวัด และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือบินธบาตเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวอลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวอลเป็นวัดเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษ เป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียพรภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระย่อมนิมนต์เธอให้นั่งด้วยคําว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใคร่ต่อการศึกษาแท้มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะนิ่หมุนท่านั่งดูกรกับสปะเมื่อพิสุทั้งหลายกระทําสการะอย่างนั้นภิกษุใหม่ๆพากันเห็นว่าทราบว่าพิกสุที่ถือการอยู่เป็นวัดการกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบังสุขุนเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สัโดษเป็นผู้ชอบสงัดจักหมู่ เป็นผู้ไม่คลุกคลีได้หมูคณะเป็นผู้ปลาลบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณทางการปลาลบความเพียรภิกษุทั้งหลายผู้เทระย่อมนิมนต์เธอให้นั่งด้วยคําว่ามาเถิดพิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างรุงเรืองหนอใไข่ต่อการศึกษาแท้มาเถท่านนี้อาสนะนิมนต์ท่านั่งภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น การเป็นบัตรตามของพวกเธอนั้นเป็นการอำนวยปรคโาชส์สุขชั่วการละนานโดกระลักระสปะกบัตรนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระไม่เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและไม่สารเสริญคุณแห่งการเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดไม่เป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาดเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการบินทบาดเป็นวัดไม่เป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญ คุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่เป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดไม่เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยไม่เป็นผู้สันโดษและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สันโดษไม่เป็นผู้สงัดจากหมู่และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่ ไม่เป็นผู้คุกคลีด้วยมู่และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการไม่คุกคลีด้วยมู่ไม่เป็นผู้ปาลารบความเพียรและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปราลารบความเพียรบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศได้จีวรบินบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพสัชบริขารพวกภิกษุผู้เป็นเถระย่อมนิมนต์เธอให้นั่งด้วยคาว่ามาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใคร่ต่อเพื่อนพรหมจารีด้วยกันมาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านั่งดูก ร, รักสษปะเมื่อภิกษุทั้งหลายกระทำสการะอย่างนั้นภิกษุใหม่ๆพากันคิดว่าทราบว่าภิกษุที่มีชื่อเสียงมียศได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีฬานเพศรปัจจัยเพศรบริการพวกภิกษุผู้เป็นเทระ พากันนิมนต์เธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองจริงหนอใไข่ต่อเพื่อนสัพพมัจารีด้วยการแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านั่งภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเธอไม่อํานวยประโยชน์มีแต่ทุกข์ชั่วกาลนานดูกะละกสปะ บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายแห่งพรหมจรรย์เบียดเบียนเสร็จแล้ว